ราชการอยู่วันหนึ่งจุดมาหลายวันให้พี่น้องประชาชนไปบําเพ็ญไปวัดแล้วก็มาเยี่ยมเยียนพ่อแม่ในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดกรกฎาคมพุทธศักราช2554 วันที่ส6บหเป็นวันเข้าพรรษาวันที่ส5บห้าเป็นวันอัศรหาบูชาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแห่งวันหยุดราชการพี่น้องทางไกลก็คงจะเดินทางตั้งแต่เมื่อวานเพื่อจะได้พักผ่อนมาตั้งแต่วันพระหัสวันศุกร์ในพรรษา ที่จะถึงเนี่ยเมื่อวานวันที่วันที่สิบหกเข้าพรรษาแต่วันนี้ก็ยังไม่สายถ้าว่าพวกเราจะตั้งต้นตั้งลำขึ้นมาก่อนในพรรษานี้พวกเราควรจะมีพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธมาม ก, กะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้า ควรจะมีสิ่งไหนที่เป็นที่ลําลึกหนาในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะต้องตั้งจิตอธิษฐานมีสัจจะอธิษฐานไว้ในใจข้าพเจ้าจะทําดีสักอย่างในพรรษานี้อันดับแรกถ้าเราอยู่ในเป็นครวาญเป็นราชการทําให้ห่างไกลจากพ่อแม่เราก็ จะกราบพ่อแม่ทุกอาทิตย์อันนี้ก็เป็นคุณงามความดีให้ล้ำลึกถึงพระคุณของท่านเพราะท่านเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราในฐานะลูกหลานควรจะแสดงความกตัญญูอย่างไรอันนี้พวกเราก็ต้องได้คิดไว้ในพรรษานี้ข้าพเจ้าถ้าไม่จำเป็นจริงหรือว่าเดือนละครั้งในพรรษานี้สามเดือนข้าพเจ้าจะมาเดือนละครั้ง มาเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมเยนพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของเราอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งให้มีสัจจะถ้าไม่อย่างนั้นถะเละถะลายถ้าไม่มีสัจจะคือความตั้งใจไว้จริงเดี๋ยวกัเรื่องนั้นเข้ามาเดี๋ยวกับเรื่องนี้เข้ามาถ้าเราไม่มีความจริงจังและจริงใจผลในสุดกลายเป็นปีเป็นเดือนไปจริงจะมากระกาบ มาเยี่ยมเยียนพ่อแม่ได้ถ้าเรามีสัจจะในใจแล้วคงจะนคล้ายๆว่าให้ความใส่ใจตรงนั้นเขาคงจะมาได้ง่ายมาได้ง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะเราตั้ ง, ง, งใจไว้แล้วอันดับที่สองเราจะทําอะไรในพรรษานี้เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรจะไปวัดทุกวันพระ หรือว่าทุกวันอาทิตย์ไปไหว้พระไปสมาทานศีลถือว่าโตตัวเองเป็นพุทธมามะกะเพราะศาสนาอื่นเขายังละหมาดวันหนึ่งหลายครั้งอย่างศาสนาคริสทุกวันพระทุกวันอาทิตย์เขาต้องไปโบสถ์แต่เราเป็นพุทธศาสนิกชนวันหนึ่งปีหนึ่งเราไปวัดกี่ครั้ง เรารู้สึกว่าจะห่างเหินกว่าศ า, านนสานาอื่นพอจมควรพุทธศาสานาของเราสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราได้คิดโอปัญจิโกมองตนเองเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันทุกวันพระด้วยทุกวันเช้าเย็นเราควรจะไหว้พระไม่ให้ขาดอารหังสวาค้าโตสุปฏิปโนถึงเราจะไม่ได้ไปวัดเรากดลําลึกถึงพระคุณของพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อยู่ตลอดอันนี้ก็นับวัดนับว่าเป็นพุธทธศาสนิกชนจากนั้นเราก็สิ่งไหนที่เราปฏิบัติตนยากในขณะนี้คือว่าเราสูบบุหรี่ติดบุหรี่บุหรี่มันมีคุณค่าอย่างไรมีแต่โทษเสียมากกว่าแต่คนสูบบุหรี่เข้าไปแล้วก็ไม่รู้ปอดไม่รู้รู้ว่าเป็นมะโรงมะเร็มงมากมาย แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอยู่ใกล้ด้วยแต่ตัวเองสูบ ป, ปุรีนั่นก็ใช่เป็นที่พอใจแต่ผู้อยู่ใกล้หรือว่าบริเวณนั้น่ะจะเห็นโทษในการคนคนที่สูบ ป, ปุรีมันมีกลิ่นเหม็นมากถ้าตัวเองหยุดปุรีจะรู้ได้ว่าการสูบ ป, ปุรีของคนอื่นนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าห้องน้ำไปสูบในห้องน้าตัวเองก็ใช่ไปขโมยสูบในห้องน้ำ แต่คนที่ไปที่สองเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงปิดจมูกแล้วก็แล้วจะทํำยังไงแล้วก็แล้วเพราะมันควันบริเวณในห้องน้ํามันอู้อยู่เหม็นที่สุดเลยจะออกมาก็ออกไม่ได้เพราะทำภารกิจยังไม่เสร็จนี่อันนี้เป็นทําให้ทําภาระให้แก่คนอื่นเหมือนกันแต่เป็นความสุขของตนเองแต่เป็นภาระของคนอื่นสิ่งเหล่านี้นพวกเรามาให้ได้คิดเพราะเราอยู่ในชุมชนสังคม แล้วกัการจากนั้นเราก็งดดื่มสุรา่โซราคันชา ย, ยาสินเฮโรอีนอะไรก็ตามที่เราต้งติดอยู่ยังคล้องอยู่เราควรจะตั้งจิตอธิษฐานให้ตัดให้เด็ดขาดไม่ควรจะเกี่ยวข้องในสิ่งของมึนเมาเหล่านั้นเราต้องพิจารณาพิจารณาให้เห็นโทษโทษของมันคืออะไรคุณของมันคืออะไรโดยมากโทษจะมากกว่า ถ้าว่าเราดื่มเข้าไปแล้วมันขา ด, ดติตแต่ถึงจะไม่ขาดจิดตก็เถอะอแต่ดูๆแล้วก็มันคงไ ม, ไม่สิ่งไม่เป็นไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของผู้อยู่ใกลอถ้าถล่มเข้ามากกว่านั้นก็เกินขีดแดงไปพอเมาเข้าไปทีนี้ก็อันตรายเลยจะนีนจะพูดจะทําอะไรออกไปที่เป็น หมู่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายที่อยู่ใกล้คนนั้นเหินห่างหนีไปก่อนในในช่วงนั้นถึงจะรักกันขนาดไหนก็เถอะถ้าไม่ไม่ใช่คอคอเดียวกันแต่ต้องหนีซะก่อนเพราะอาจจะพูดอาจจะทําสิ่งไหนที่ลงไปที่ไม่เหมาะสมอายขายหน้าผู้ที่เราเป็นหมู่เป็นเพื่อนสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดทบทวนผลเสียผลหายผลได้ผลเสีย เพราะนั้นในพรรษานี้เราจะทดลองดูงดสุราโดยเด็ดขาดสักสามเดือนนี่สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราพุทธศาสนิกชนจัทยาญาติโยมลูกหลานให้ดูตนเองสรุปแล้วอันไหนเป็นคุณงามความดีที่ครูบาอาจารย์สมณะพราหมณ์พ่อแม่ วัยยวุฒิคุณวุฒิที่ท่านเกิดก่อนเรารันท่านแนะนำไว้หลวงพ่อว่าล้วนแลแ้วจะมีประโยชน์ต่อลูกต่อหลานต่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่ถ้าพาพวกเราทำไม่ได้แล้วก็ถลำลงไปลึกมันก็เป็นผลเสียต่ อ, ต, อตัวเราเองแล้วก็จนเป็นผลเสียต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราคิดคิด อ่ในพรรษาเนี่ยนะถ้าว่าเราอยู่นอกพรรษาเราก็ขันเสนอไม่ได้พราะมันเรื่อยเปื่อยมันยาวในพรรษาในสามเดือนเนี่ยข้าพเจ้าจะต้องทำให้ได้หลวงพ่อว่าถ้าทำได้อย่างนั้นก็จะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราเองไม่ใช่ต่อหลวงพ่อนะไม่ตอไม่ใช่ต่อพระพุทธศาสนาะต่อตัวของท่านเองต่อครอบครัวของท่านเอง ต่อไปเมื่อออกพรรษาแล้วแต่เลยถ้าเราหยุดไดน้นัเราจะมองเห็นเบื้องหลังเนี่เรายืนอยู่จุดให้เรามองข้างหลังโอ้์จแล้วเราจะเห็นโทษว่าการที่ผ่านๆมานั้นเราทําอะไรคดโค้งไปพอสมควรแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะหยุดเราจะเดินให้ตรงเราจะเป็นพุทธศาส น, านิกชนและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ต่อไปนี่แหละแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ตโมตะมะปรายะโมคือมืดบอดแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะโชติปรายะโนเพราะเห็นโทษแล้วจะดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมที่สุดนะอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท, ท่านคิดนะเพราะหลักของพระพุทธศาสนานี่ต้องใช้เหตุผลหลักเหตุผลพุทธศาสนาไม่ใช่ความเชื่อเฉยๆนะ แรงความเชื่อว่ า, าทำบาปนรกสวรรค์อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเอามาวิเคราะห์ดู อ, อย่างสินห้าของพระพุทธเจ้าเราจะไปถือว่าสินห้าของพระพุทธเจ้าใครเชื่อนับถือแล้วก็จะไปสู่สวรรค์ได้แต่ตามไม่จริงมันก็ไปสู่สวรรค์ได้จริงๆแต่ก็ลองต่อมาวิเคราะห์ อ, อีกทีหนึ่งว่า ศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรปาณาไม่ให้ฆ่าสัตว์ตั้งแต่คนตั้งต่อแต่ตัวเล็กตัวน้อยทั้งหมดนะคว่าสัตว์คำว่าวกระดุกกรดิกได้ไปว่าสัตว์ทั้งหมดสัติต์รักฉนคือว่ามีวิ ญ, ญญาณครองอันนั้นว่าสัตว์ที่รักฉัตัวสัตว์ตัวโลกถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ไม่เห็นคุณค่าว่าเราฆ่าเขานั้นคืออะไร แต่คิดว่าเขามาฆ่าเราเลยสิฆ่าเราเป็นยังไงขนาดเขาทุบเขาตีหน่อยเดียวมก็เจ็บถ้าเขาเราไปฆ่าเขาล่ะสรุปแล้วคือคือศีลธรรมของพระพุทธเจ้าคิดต้องคิดเขาเราเราเขาเขาเร า, า, า, เราถ้าเราไม่ต้องการเจ็บปวดเราก็ไม่คุดคทุบตีเขาถ้าเขาเราไปทุบตีเขาเราก็มาทุบตีเราล่ะ แล้วมาฆ่าเราล่ะเป็นยังไงนี่แหละศีลธรรมของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วก็คือเขาเราับเขาเรานะอธินาทานก็เหมือนกันถ้าเราเป็นขโมยของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขามาขโมยเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรสามีภรรยาของคนอื่นเขาเราเป็นล่วงเกินเขาเขามาล่วงเกินของเราเป็นยังไงเราไปโกหกเขาเขามาโกหกเราเป็นยังไง ถ้าเราดื่มสุราเข้าไปใช่ดื่มปากของเราแต่เมื่อดื่มเมาเข้าไปแล้วไปดาไปป่นไปฆ่าไปพุกไปทุบไปตีไปขับรถชนคนอื่นเขานะเนี่ะไปไงถ้าเขาคนอื่นเมาแล้วมาทำเราให้เจ็บเราเนี่ยเพราะคนทาคนเมาสุราได้ทำความชั่วได้ทุกอย่างท่านวาง น, นนะฆ่าพอ่อฆ่าแม่ก็ได้ไม่ฆ่ากันนั่นไม่เชื่อในโอวาทพ่อแม่ดุดาว่ากล่าวพ่อแม่ได้ทั้งหมดสามีสาภรรยา ทุบตีกันฆ่ากันได้ทั้งนั้นเพราะคนเมาจากนั้นกับความทําความชัว่วในทุกอย่างขโมยของใครก็ได้ตลาดล้วงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนเมาคนขาดสติเรามาพิจารณาดูสิว่าศิลห้าของพระพุทธเจ้านี่เพื่อใครเพื่อพระพุทธเจ้าหรือเพื่อใครเพื่อเราเองเพื่อชุมชนของเรา เพื่อความพาัฒนาของชุมชนเพื่อความพาัฒนาของประเทศชาติเพื่อความพาสุาในโลกยุคนั้นสมัยนั้นถ้าคนมีศีลห้ามากโลกยุคนั้นสมัยนั้นก็จะร่มเย็นเป็นสุขทุ่นหน้ากันเพราะเหตุนใดเพราะโลกมีศีลธรรมถ้าโลกขาดศีลธรรมในยุคใดี่เห็นกันจะมีแต่พกผืนผ า, าหน้าไม้มีแต่จะตล่มกันมีแต่จะฆ่ากันไปที่ไหนจะมีแต่ พกพาอาวุธเต็มไปหมดเตรียมพร้อมอยู่เสมอพวกเราคิดดูสิว่าโลกในยุคนั้นจะหาความสุขได้ไหมเหรอเพ้อเพ้อก็ถล่มกันจริงๆอย่างเนี้ยและเป็นยังไงอธินาทานก็เหมือนกันขวามวยเต็มบ้านเต็มเมืองพวกเราคิดดูให้ดีว่าเป็นยังไงมันขาดศีลธรรมแลว้วก็ไม่เคารพในสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นของเขา ปล่อย ล, ลูกหลานไปก็ต้องมีคนคุ้มครองมีคนป้องกันนะเป็นยังไงไปที่ไหนมีตะโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันอย่างนี้ี่ยโลกทั้งโลกจะหาความสุขได้อย่างไรโลกทั้งโลกมีมอมเมา ก, กันด้วยสุราอย่างนี้โลกทั้งโลกจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่อื่นไกลอยู่กับตัวพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนถ้าพวกเราต้องการความสุข แล้วก็ควรปฏิบัติตนให้มีศีลห้าอ้าวถ้าข้าพเจ้ารักษาศีลห้าแล้วเนี่ะคนอื่นล่ะหลวงพ่ออืมเราจะให้คนทั้งโลกรักษาศีลห้าได้ยังไงหลวงพ่อถึงใครจะรักษาศีลห้ารักษาศีลไม่ได้ก็เอะต้องนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้แล้วว่าศีลห้าเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ถึงใครจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตามข้าพเจ้าจะรักษาหนึ่งข้าพเจ้าต้องนับหนึ่งจากข้าพเจ้า ถ้าคนพวกเรานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยเห็นโทษด้วยกันว่าอีหลงพ่อพูดที่ถูกกว่าข้าพเจ้าจะนับหนึ่งจะเข้าไปเจ้าหนึ่งนู้สิมันกี่หนึ่งอยูในศาลาครึ่งร้อยเหมือนกันนะเพราะอะไรมาอีกคราวหน้าเนาะบอยนับหนึ่งอีกอแต่ละครั้งนี่ยท่านรู้คุณค่าของศีลธรรมแล้วโปรในสุดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไปเรื่อยอเป็นร้อยเป็นร้อ ย, เ ป, อยเป็นพัน แล้วคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่ในประเทศชาติรอนแล้วแต่มีศีลธรรม อ, อก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุกแต่บางคนก็บอกว่าคนศีลคนธรรมเป็นคนที่ไม่ร่ํารวยอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าไม่ได้ปิดกั้นว่าเมื่อรักษาศีลห้าแล้วขอ ง, งอมืองอเท้าไม่ให้ทํามาค้าขายไม่ใช่อย่างนั้น อุทาหะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมัน่นความขยันพระพุทธเจ้าสอนให้หมั่นขยันในการหาทรัพย์ราคะสัมปทาเมื่อหาทรัพย์มาได้แล้วให้รักษาเอาไว้เมื่อรักษาเมื่อได้หน้าที่ตำแหน่งเอาได้แล้วอย่าไปกินเหล้าเมายาไปทำตัวไม่ดีเดี๋ยวก็ไล่ออกจากตำแหน่งอถอนใบประกอบสัมมาชีพมิชัยชีพวิชาชีพของตนเองอีกต่างหาก อันนั้ปนประวัยรักษาจะทํายังไงจึงรักษาได้ต้องเป็นผู้กันกรองไตรตรองรักษากฎระเบียบเหนืออารักขาสัมปทากัลายาธรมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามสัมมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงโกหกต้มตุ๋นเขามาอีกเลี้ยงชีวิตเราเนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดไม่ใช่ว่าคนมีศีลห้าแล้วให้งอมืองอเท้า ไม่ทำอะไรเลยอันนั้นไม่ถูกนะจะไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแปลว่าคิดผิดต้องคิดใหม่ศีลธรรมของผู้เจ้าคือรักษากายวาจาของตอนเองอย่างหลวงพ่อไปต่างประเทศประเทศอินโดบอกว่าคุณทำกิจการใหญ่ถึงขนาดนี้เป็นมันหมื่นเช่นแส น, สนล้านคุณบริหารตัวเองอย่างไรคุณทาตนอย่างไร ผมหลวงพ่อเองก็ไม่ขาดไม่คิดเลยว่าจะได้ตอบคำคาตอบของเขาเขาบอกว่าผมมีสินห้าครับโอ้โหพ่อได้ยินเท่านั้นนะ เ, เป็นคนจีนอายุประมาณสี่สิบกว่าปีแต่กิจการของเขาเป็นแสนล้านไม่เป็นแสนล้านอะอไรเงี้เครื่องบินเจ็ดสามเจ็ดทั้งเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิปลำแ้วจะซื้อมาอีกร้อยกว่าลำนั่แหละหลวงพ่อได้ยินแล้วโห เขามีศินห้าพอคนมีศินห้าในครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขสามีภรรยาสามีจะไปที่ไหนภรรยาก็ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าอย่างไรก็ไม่แตกไม่รั่วไม่ไหลไม่ซึมเงินคําทรัพย์สมบัติไปที่ไหนก็ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเหตุใเพราะมั่นใจว่าสามีของเราเนี่ยเอหัวหน้าครอบครัวของเราเนี่ยเป็นคนซื่อตรงเป็นคนมีศินห้านี่แหละ การจะดําเนินกิจการนอกบ้านในบ้านก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันลูกหลานอยู่ด้วยกันรุ่มเย็นเป็นถุกทุ่วนหน้าถ้าคนมีศีลธรรมแต่ถ้าว่าคนไม่มีศีลธรรมขาดศีลธรรมแล้วหลวงพ่อว่าถึงจะรวยขึ้นมาก็นัน่นแหละเอในเข้าอย่างลึกเข้าไปในครอบครัวแล้วนะแตกสลุผู้พ่ายไปเพราะเหตุไรเพราะขาดศีลธรรมหาความสนุกสนาน เพิดเพลินใครจะทุกข์ยังไงไม่สนข้ามีความสุขอย่างเดียวเที่ยวเตร่ไปเรื่อยใช้เงินไปฟุ่มเฟือยไปเรื่อยถึงยังมีความสุขอย่างไรพวกเรามองข้างนอกเหมือนจะมีความสุขแต่เข้าไปอย่างลึกเข้าไปส่วนลึกแล้วออมันแตกเป็นจึงเสี่ยงกันพวกเราต้องการหรืออย่างนั้นเพราะนั้นคนขาดศีล ธ, ธรรมเลยจะต้องเป็นอย่างนั้นพผมขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ พูดทางนี้ท้งนั้นก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าศีลธรรมเนี่ยไม่ใช่กางกั้นให้คนยากจนไม่ใช่นะอให้คนที่ให้คนเจริญรุ่งเรืองทั้งในธรรมด้วยทั้งทางโลกด้วยทั้งโลกทั้งธรรมด้วยออย่างฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาสสัจจะคนคนเราอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะพระพุทธเจ้าท่าน ให้มีสัจจะคนที่ขาดสัจจะไร้สัจจะอยู่ด้วยกันเนี่ยหากฎเกณฑ์ไม่ได้ทำมาค้าขายต่อกันก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะอะไรเพราะว่าหาสัจจะไม่ได้หาความจริงจังและจริงใจไม่ได้พูดอย่างนี้วันหนึ่งพูดวันหน้าอีกวันหนึ่งตลกตะแลงไปเรื่อยเลื่อนไหลไปเรื่อยแล้วเป็นยังไงเอออย่างพวกพวกเราเห็นเนีถ้าจะเปรียบเทียบกันนี่แหละเออพวก คำว่านักการเมืองอย่างนี้หลว ง, งพ่อเปรียบเทียบมันก็มีส่วนเหมือนกันพูดไปเอาตัวรอดเป็นวันๆไปเนี่ยสรุปแล้วก็คื อ, อยังไงมันเป็นวิชาอาชีพแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราจะไปเชื่อยอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นทรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสัจธรรมขันติจาฆานี่ฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาส พระพุทธเจ้าบัญญัติให้คารวะจึงพวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเป็นคารวิรทั้งหญิงทั้งชายอยู่ด้วยกันให้มีสัจจะนะถ้าคนมีสัจจะแล้วเออทำมาค้าขายใหญ่ขนาดไหนก็พูดว่าต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมีสัญนโยมสัญนยาอะไ ร, รไม่ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้คนโบราณเขาเน่เอาแก้วน้าชาชนกันปักเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วเขาก็ทำนะดามตามที่สัจจะให้สัจจะสัจจะมีความจริงจังและจริงใจต่อกันเนี่ยธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนเยาบางทีมันโกงโมโหโกธามันขึ้นมันลงเพราะเรายังมีกิเลสอยู่กิเลสโลคกิเลสโทสะกิเลสโมหกิเลสโลภะมันขึ้นมันลงอยู่เยาบางทีกิเลสโทสะนี่แหละบางทีมันเห็น สิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องบางทีมันอารมณ์มันมีอยู่ในใจมันก็ชนโมโหให้เขาพระพุทธเจ้าต้องต้องข่มไว้ก่อนนะอย่าไปโป้งป้า ง, งออกไปนะต้องข่มไว้ก่อนต้องหาเหตุผลซะก่อนว่ามันมีเรื่องอย่างนี้มันมาอย่างไรต้องสืบสอบดูก่อนเ อ, อี่้าวจูบสอบสืบสอบดูแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วเออหนึ่งมันยังว่าอีก บางทีเราได้ยินคนหนึ่งจับประเด็นหนึ่งปรุงจับประเด็นหนึ่ ง, ร เ, นนงเราโมโหโกรธาขึ้นมาไม่มีการข่มตัวเองเอาไว้ทําให้เสียหมู่เสียเพื่อนเสียพ่อเสียแม่เสียสามีภรรยาลูกหลานเสียได้ไง่ายๆเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่รู้จักขม่มมีแต่ใช้อารม์โมโหโกรธาเนี่แหละธรรมะให้รู้จักขม่มข่มใจของตนเองแล้วใครมีขันติอีกขันตินคือความอดทนเราอยู่กับใคร อยู่กับพ่อแม่อยู่กับเจ้านายอยู่กับลูกน้องเออมันก็ต้องมีเขาเปีย่ยงป้างมาดุดาว่าเกาเขาพูดอะไรเข้ามาเราก็ต้องมีขันติยิ้มเอาไว้ก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง อ, อ, อดทนต่อร้อนต่อหนาวต่อหิวต่อกระหายต่อดิฟ้าอากาศต้องได้อดทนทั้งนั้นคนที่มีขันติคือความอดทนไปอยู่ณสถานที่ใดอยู่ในชุมชนใด อยู่กับพี่น้องกลุ่มใดคนคนนั้นจะสวยงาม เ, เพราะมีขันติมีความอดกลั้นมีความอดอในจิตในใจเข้าอยู่ในพี่น้องก็ดูดูพี่น้องก็ยอมรับได้ถาว่าคนคนนั้นโมโหโกรธาเปียงป้างไปอยู่เรื่อยพี่น้องลูกหลานเขาก็รับอยากเหมือนกันนะอันนี้ราะว่าให้มีขันติให้มีจาคะจาคะให้มีน้ำใจให้มีการเสียสละ ต่อพี่น้องวงสาขนายาตต่อบุคคลที่ควรให้ควรจะแบ่งเราได้เงินมาเนี่ยเราควรจะแบ่งให้พอ่อให้แม่เป็นอันดับแรกปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกหลานควรจะแบ่งยังไงแล้วก็ควรจะเก็บยังไงควรจะใช้จ่ายส่วนตัวอย่างไรควรจะเอามวามบริหารกิจการงานของเราอย่างไรเรานี่เราต้องไม่ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่เก็บทั้งหมดเออเอามวามบริหารทั้งหมด ไม่มองใครเลยอันนั้นก็ไม่ถูกต้องมีการแบ่งปันเพราะเรามีพี่มีน้องมีวงศาคณะญาติมีมิตร ม, มีสหายเนยีต้องทําบุญทําทานอถ้าว่าคนขี่ตีทีเนี้ยไปที่ไหนไม่มีใครหมาก็ไม่อยากจะมองเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีอะไรจะแบ่งให้มันกินเนถ้าว่าเราเดินไปที่ไหนโอ้ายนี่หมาแล้วหมาก็แห่หมาก็มองเพราะมีอาหารให้มันกินนี่ก็เหมือนกันคนเรา ไปนะสถานที่ใดถ้ามีน้ําใจใครก็ยอมรับรวยกันทั้งนั้นถ้าไม่มีน้ําใจไม่มีใค ร, รจะมองเพอเผลอเขาเจ็ไม่ให้เขามาใกล้เขาอีกต่างหากดูถูกเจ็ยดยามอีกต่างหากยามมาใกล้นะเขามาแล้วมันมากินเราอีกต่างหากเห็นไหมดวงตามหาบัวลกตัวอย่างท่านเสียสละขนาดไหนพอท่านเสียสละพอท่านล้มหายตายจากพวกเราไปขั้นจุตินิรภัยไปไเห็นไหมพี่น้องประชาชน เราคาดคิดไหมคนจะมาเป็นล้านจนะเต็มไปหมดเพราะเหไรเพราะท่านเสียสละเนี่ขนาดมีพินัยกรรมอีว่าเมื่อเราตายไปแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์มาในงานศพของเราให้ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดคนละังหลวงเป็นของใครเป็นของประเทศชาตินะท่านไม่ได้คิดเห็นใครทั้งหมดเห็ดคือเห็นพี่น้องประชาชนประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่ได้ ถ้ามีเงินมีทองคำอยู่ในคลังหลวงมากประเทศนั้นก็มั่นคงพิมพ์ธนบัตรออกมาก็มีคุณค่าเพราะเหตุไรเพราะมีเงินมีทองคำค้ำประกันอยู่เนี่ยลุงตาท่านมองไกลถึงขนาดนั้นท่านเพื่อใครเพื่อพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อลุงตาเป็นผู้เสียสละอย่างนั้นแล้วท่านจึงคนจึงนับถือเรื่มใส่ ลวงตาขีตนีทีเนี้ยไม่ยอมแบ่งปันใครหรอกพวกเราคิดดูก็แล้วกันนะ ใ, นใครจะไปใกล้หนะลวงพ่อก็ไม่ไปใกล้เหมือนกันคนคีตนีกลัวอีกต่างหากเพราะนั้นะขอให้พวกเรานะหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรานํา ม, มาวิเคราะห์เป็นข้อๆแล้วจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อย่างมากถ้าเราได้ศึกษานะเป็นเสียแต่เราไม่ศึกษานะเราไม่ศึกษาเราจะเฉลียวฉลาดได้ยังไงนะเมื่อเราเป็นตํารวจเราก็ต้องวิท ศึกษาวิชาตำรวจสืบสอบหากระรองคดียังไงเราก็ต้องเรียนกฎหมายก็เหมือนกันเราต้องเรียนกฎหมายหรือจะชำนาญอย่างวิชาแพทย์วิชาหมอวิชาแต่ละอย่างต้องศึกษาทั้งนั้นวิชาหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาเราจะฉลาดเรื่องพุทธศาสนาได้ยังไงมีความหมายอย่างไรพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาเป็นคําพูด พระพุทธเจ้าสอนที่ลึกซึ้งมากทําไมจะว่าลึกซึ้งเพราะสอนถึงใจสอนถึงใจตัวนึกคิดเนะี่ยท่านเน้นถึงจุดจุดใจแนหะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะสําเร็จแล้วด้วยใจเออถ้าว่าใจดีใจมีเหตุมีผลใจมีหลักธรรมะอะไรออกมามันก็ดีออกมามามาออกมาตลอดแต่ว่าใจของเราโมโหโกรธทาใจเต็มไปด้วยกิเลสโลภโกรธลงแล้วนั่นแหละเออ คนคนนั้นจะหาความสงรมงกบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่ใดกับใครเถือร้อนได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะเต็มไปด้วยกิเลสถ้าเต็มไปด้วยธรรมแล้วไปที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขเพราะเอาธรรมคือหลักเหตุผลอยู่ในจิตใจดังขอให้พวกเราทุกๆท่านนะลูกหลานทุกคนเอาหลักธรรมะเข้าสู่จิตใจเอาหลักเหตุผลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขไปอยู่ณสถานที่ใดเป็นพ่อเป็นแม่ของคนก็มีเหตุผล เมื่อเป็นเราเป็นลูกเราก็ต้องมีเหตุผลเราเป็นลูกศิษย์ก็มีเหตุผลเป็นครูบาอาจารย์ก็มีเหตุผลเหตุผลสมฐานะที่เราเป็นอาจารย์อาจารย์เราใช้เหตุผลอย่างไรเมื่อเป็นลูกศิษย์เราใช้เหตุผลอย่างไรเมื่อเราเป็นลูกเราใช้เหตุผลอย่างไรเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราใช้เหตุผลยังไงมันมีเหตุผลแต่เหตุผลทั้งนั้นถ้าเรามีปัญญานะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเรา ใช้เต่โอรมอารโม โ, โหโกธาแล้วพออย่างว่าเหมือนกันนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแกคณะศรรมกาญาติโยมทุกมุ่งเหล่าคือหลักใหญ่ก็คือว่าในพันษา น, นี้เราจะยึดอะไรมาเป็นเครื่องยึดทางด้านจิตใจของเราอย่างที่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมีหลายหลายอย่างให้แก่พวกเราเลือกนะอย่างบ่งหลวงพ่อบอกว่า เราจะตักบาตรทุกวันเราจะใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดโอ้ถ้าใส่บาตรทุกวันคงไม่ไหวละลุลงพ่อพราะเราตื่นสายต่างหากพระที่จะมาพ า, านหน้าบ้านยากอีกไม่รู้ว่าลงไปเฝ้าหน้าบ้านจะใส่หน้าบาตรยากลุงพ่อลุงพ่อบอกว่าเน่เราถ้าเราอยากจะใส่เรามีกระปุกหมูหมากาไก่ เออวันนี้เราจะใส่บาตรหลวงปู่วัดโพวะปู่ใหญ่แเราจะถวายกล้วยหอมทันใบหนึ่งวันนี่เราก็ไว้กล้วยหอมใบหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็หย่อนลงไปเราจะถวายนมกองหนึ่งเราก็ใส่นมใส่บาตเอาหยอดลงไปใส่ทุกวันพอเรากินทุกวันเราก็ต้องทําบุญกับหลวงปู่บาอาจารย์พระสงฆ์ทุกวันนี่แหละอันนี้ก็คือการทําบุญพอถึงเดือนมาเราเอาปัจจัยไปถวายท่านปัจจัยใส่บาท ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นถ้าเราเตรียมด้วยเราพร้อมที่จะใส่บาททําบุญเนี่ยเป็นเสียแต่เราไม่ใส่ใจก็อย่างว่านเะพระผ่านหน้าบ้านมากกว่ามองขึ้นฟ้านะแต่ตามไม่จริงการทําบุญทําทานในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านไม่ให้มองข้ามนะคณะทาญาติโยมลูกหลานอย่างน้อยก็บแบ่งปันพ่อแม่ปู่ย่าตายายสเสียเผื่อแผ่ให้มีน้ำใจ ถ้าคนที่ไม่มีน้ําใจก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่างหลวงตามหาบวญใครจะมาใกล้ท่านถ้าไม่มีน้ําใจถ้าไม่มีการเสียสละของท่านท่านเสียสละอย่างมากพวกเราจึงน้อมรับนี่ก็เหมือนกันพวกเราท่านเป็นคนมีน้ําใจเสียสละอย่างเรามีเงินเดือนเงนินหมื่นบา ท, ทสักร้อยบาทเนี่ยเราจะทําบุญไม่ได้เลยเอา้าตัดออกไปร้อยบาท เพื่อทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลทางท่านคิดใจเนี่ยแต่เราทําอย่างอื่นเราจะทำได้เสียสละในการทําบุญการสงเคราะห์อพ่อแม่แล้วกัการสงเคราะห์หมูพวกเพื่อนตลอดถึงการใส่บาตรเดือนหนึ่งบาทได้ไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องมีการเสียสละจุดหนึ่งนในการสร้างคุณงามความดีหลงพ่อว่านะเอาตอนนี้ไป ตัง้งใจละพรนอนุโมทนาให้ผล